วันนี้นอกจากจะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราได้รองเพล น, นักบวชจงเป็นวันแรกนะของเทศกาลสงการานต์เวลาพูดถึงสงการานต์นี่พวกเราก็นึกถึงความสมดุกสนานะได้ส า, า้ําแต่ที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้ยังเป็นเรเทศกาลนี้ดีกว่านะยังเป็นช่วงเวลาสําหรับการทําความดีเป็นการทําความดี ชนิดที่เรียกว่ารอบตัวเลยทั้งข้างบนข้างล่างแล้วก็รอบข้างเป็นช่วงของการทําความดีกับทุกผู้คนหรือว่าทุกสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตของเราเรื่องต่างๆการทําความดีกับสิ่งที่เรานับถือสูงสุดคือพระพุทธเจ้าช่วงสงกรานต์นี้เราก็ทําความดีกับพระพุทธเจ้าด้วยการสงน้ําพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่ก็เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ที่เป็นสิ่งที่เรานับถือสูงสุดในฐานะที่เป็นชาวพุทธการสแสดงความคาระวะสักการะบูชาสิ่งสูงสุดเราก็ทําด้วยวิธีการที่เป็ูปพธรรมันก็คือการส่งน้ําพระพุทธรูปนะแล้วก็เราก็ยัง ท, างทางําความดีกับผู้ที่เรานับถือเราลงมาก็คือพระสงฆ์ก็มีการใส่บาตรนะใส่บาตรพระเลี้ยงพระรนะวมทั้งการส่งน้ําพระด้วยนะ สงน้านมีสองแบบนะสงนารก็ครูปแต่สงนาประสงค์ก็เป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ถือว่ามารับพรจากขั้นเลยทาความดีกับศาสนาด้วยนะศาสนานี้ก็ตัวแทนคือวัดนะคนไทยสา ก, กรนี่ก็จะสนสัตวเข้ารัดขนะสัตว์เข้าวันี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของการอุปถัมภ์บำรุงศาสนาเพราะว่า สมัยก่อนวัดเนี่ยไม่มีปูนนะมีแต่ทรายลานก็เป็นลาทรายเวลาผู้คนมาวัดเดินกลับไปก็มีทรายติดเท้าไปทรายก็ลอยหลอพื้นดินก็ค่อยอต่ําลงต่ําลงนะคนไทยก็ลเลยอ่อดเรื่องนี้ก็ถือว่าที่ผ่านมาฝนทายออกจากวัดนะติดเท้าไปเข้าไปในสถานสงฆ์กลงนี่แหลนะก็จะฝนสายเขาวัดฝนทายเข้าวัดนี้ก็เป็นการ ตัวอย่างของการอุปถรรัมภ์บำรุงรศาสนาซึ่งมีวัดเป็นตัวแทนอันนี้นอกจากพระุทรูปนอกจากพระเจ้านอกจากพระสงฆ์นอกจากศาสนาแล้วนะพวกเราก็มีบุปการีมีญาติผู้ใหญ่มีพ่อแม่เราก็ทำดีกับท่านนะวิธีการที่ทำเป็นสัญลักษณ์ก็คือการรดน้ำดำหัวท่านขอพรท่านด้วย เป็นการแสดงสัมมาคาระวะและเป็นการแสดงความกตัยญูทราบซึ้งในบุญคุณของท่านแล้วก็ถือโอกาสนะขอเข้ามาขออโหสิกรรมจากท่านนะลูกที่เคยพูดจาไม่ดีกับพ่อแม่หรือว่าแสดงความโกรโมโหโกรธาพูดทําอะไรที่ทําให้ท่านเสียใจช้ำใจนะก็ามาขอโทษนะโดยการรดน้ำดําหัวท่านนะบางทีก็เอาน้าหอมนี่แหละมารดเท้าท่าน บางคนนี่ถึงกับเจ็ดน้ําที่รถเท้าท่านนี่เอามาเอามาเอามาอาบน้ํารูปตัวนะเป็นการแสดงถึงความเทิดทูลเคารพนะด้วยความจตันอยู่ลูกคุณท่านนี่ก็เป็นการทําความดีนะนะในคณะที่เป็นลูกหรือเป็นหลานไม่ได้ทํากับพ่อแม่ฉะนั้นทํากับปู่ย่าตายายหรือย่าผู้ใหญ่หรือคนที่เรานับญาตินะพู้เท้าผููแก่ที่เรานับถือเราก็ลดน้ำดำหัวท่าน ตอนนี้แก่ผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วทํายังไงตายไปแล้วก็ไม่ลืมนะก็ไปลดน้ำํำอัฐิของท่านเขาเรียกไปทำบวงสกุลนะชาวบ้านก็จะไปบางบางทำบวงสกุลที่วัดนะตอนนี้มรณพระมารับสังฆทานทำบวงสกุลอุทิศส่วนบุญให้ผู้ที่ลงรักไปที่เรานับถือบางทีก็ทําความสะอาดกรดหรือผ่าของท่านนะอันนี้ก็เรียกเป็นการทําความดีกัแบบผู้มีพระคุณซึ่งเรา เทิดไว้อยู่เหนือหัวเรากับคนรอบข้างเราก็ทําเหมือนกันนะก็คือเราเอาน้ํามาพรมแต่ก่อนไม่ได้สาบนะแค่พรม เ, เฉยๆนะเพื่ อ, อให้รู้สึกเย็นกายไม่ใช่แค่เย็นกา ย, ยาเย็นใจด้วยเย็นกายด้วยน้ําน้ําหอมน้ําสะอาดเย็นใจด้วยน้ํนนาใ จ, ใจนะที่ได้มีเมตตาต่อกันแกับสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเราเช่นสัตว์นะ ก็ทำเหมือนกันการทาความดีก็คือการปล่อยนกปล่อยปลานะจะเรียกว่าเป็นการระลึกถึงบุญคุณของสิ่งแวดล้อมก็ได้นะศาสตร์นี่ก็เป็นตัวแทนของอสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่เราไม่ไม่ลืมไม่เลือนะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าสงกรานต์นี่เป็นช่วงของการทําความดีหลายเรื่องหลายราวเรียกว่าทําความดีรอบตัวกับคนที่เราเกี่ยวข้องผูกพัน ทั้งที่อยู่สูงสูงสุดในคนะที่เป็นพระศาสดา ห, หรือว่าผู้ที่เรานักคือเป็นครูบาอาจารย์รวมทั้งบุปการีพ่อแม่คนที่อยู่รอบตัวเราที่เสมอกับเราเช่นเป็นเพื่อนเป็นนิสหายแล้วก็ทำความดีโดยการทำให้เขาเย็นอกเย็นใจเยนจ็ยนกายชื่นชื่นะกับสิ่งที่ต่ำกว่าเราสิงสารสัตว์เราก็มีเมตตาการปลานกปล า, ปล า, ปล า, ปลานี้ก็แส้ใความเมตตา ไม่ใช่ไปจับมาแล้วมาปล่อยนะแต่ว่าเอาสัตว์ที่ถูกขังอยู่แล้วไปปล่อยอันนี้ก็เป็นตัวเป็นคล้ายๆเป็นวิธีการหนึ่งนะที่แสดงถึงความเมตตากรุณานะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสงกรานต์นี่จึงไม่ใช่เป็นวันที่แค่สนุกสนานนะอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีเนื้อหาทางธรรมะด้วยเป็นวันที่ได้ชวนให้เราเราระลึ ถ, ถึงสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตจิตใจของเรานะไม่ว่าจะเป็นอ พระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์รวมทั้งญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ปการีนะเพื่อนสนิทมิสหายพี่น้องนะแล้วก็สิงสาราศา ท, ทั้งหลายที่เขามีสถานะต่ากว่าเราแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อร่วมร่วมสังสารวัตรนะเป็นเพื่อร่วมทุกข์เหมือนกันสัตว์นี่นะโดยสถานะก็ถือว่าเขาโชคไม่ดีเหมือนเรานะเราโชคดีถึงได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์เป็นของยาก การเกิดเป็นสัตว์นี่เป็นของง่ายแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ควรทำความดีมีเมตตาต่อกันและสิ่งใดเลยเยจะทำให้เรามีความเย็นใจนะเย็นใจเพราะได้ทาความดีเย็นกายเพราะได้รับน้ำหอมน้ำเย็นถ้าสงกรานเย็นแต่กายใจไม่เย็นนี่ก็ถือว่ า, อาเสียประโยชน์นะ เพราะนั้นเนี่ยวันนี้ เ, เราอาจจะ ก, ก็ให้เราระลึกถึงความดีที่เราควรทำในวันสงกรานในช่วงเทศกาลสงกรานอยู่ที่วัดอาจจะทำได้ไม่ครบถ้วนกลับไปที่บ้านนะก็ไปทำให้ครบถ้วนนะเนื่องกับพ่อแม่บุปการี ญ, ญาติผู้ใหญ่หรือว่าศิงสารสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นเพื่อร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเช่นเดีวยวกับเราและก็ผู้สันสนทนนี้นะเตรียมรับพร